พโยคาวาจรครั้งกำหนดเบญจะขันโดยเป็นนามเป็นรูปดังว่ามานี้เมื่อสแสวงหาปัจจัยของนามรูปเหล่านั้นก็เห็นปัจจัยอย่างนี้ปัจจัยก็คือเพราะมีวิชาเป็นปัจจัยเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยเพราะมีกรรมเป็นปัจจัยเพราะมีอาหารเป็นปัจจัยอันนี้เป็นลักษณะของยาตะปริญญานะเป็นประเภทยาตะปริญญาแล้วก็ข้ามพ้นความสงสัยในการทั้งสามแม้ที่เป็นอดีต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 อันหนึ่งคำที่เรากล่าวว่าธรรมะที่เราแสดงนี้ใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่มองมัวสมณะผู้รู้ไม่ติดไม่ค้อนนะคือภาษายตนาหกดังนี้นี่เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วพิสูจน์ทั้งหลายภาษายตนาหกนี้ภาษายตนาคืออะไรก็คือภาษาที่เป็นบ่อเกิดของ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 คือภาษายตนาหดังนี้นี่เราอาศัยภาษายตนาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกล่าวแล้วแล <c oughs> นะกลับไปหน้าสองอแปดหกคืนอีกครั้งหนึ่งเนาะ <c oughs> จะได้ดูคำอธิบายในอัตกถฐานนะค <c oughs> ว่าจากคุ่งภาษายตนาความว่าจากสูเชื่อว่าอายตนาเพราะความหมายว่าเป็นบ่อกเกิด <c oughs> อ่บ่อเกิดนี่หมายความว่ายังไง โดยอัตว่าเป็นสมุทฐานแห่งพัสสะเจที่เกิดพร้อมกับวิญญาณเจเหล่านี้คือนะจากคูวิญญาณเออจากคูวัตถุเนี่ยนะทำให้เกิดจากคูวิญญาณสองสัมปติชนจิตสองสันติรณจิต3เปรียบเหมือนทองคําเป็นต้นเป็นบ่อเกิดของทองคําเป็นต้นนะจากคูนี้เป็นที่อาศัยเกิดของจากจากคูวิญญาณเป็นต้นนั่นเองนะ ส่วนทางหูล่ะหูก็คือโสตวิญญาณกี่ดวงสองดวงสัมปฏิชนะ2สันติรณะสาทางจมูกกี่ดวง7็ ด, ดวงเหมือนกันนั่นแหละคือขานวิญญาณสองสำปฏิชนะสองสันติรณะส ม, มนโนภัษาญาตินังเพิ่งทราบว่าวิบากภัษายีสิบสวิบากยีบสองคืออะไรบ้างนะ กรรมฐานนี้มาด้วยอำนาจผัสสายัตนาหกดังว่ามานี้ยี่สิบสองก็คือเอาน่ะมหาวิบากเท่าไหร่แปดมหาคตาวิบากอีกเก้านะแล้วก็สามปฏิชนะสองสันติรณะสามรวมเป็นนะสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดบวกห้าเท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองคือ สัมปติชนะสองสันติรนะ3มหาวิบาก8มหัตาวิบาก9กนะกรรมฐานนี้มาด้วยภาษา6กนะภาษายตนา6กกรรมฐานนั้นควรกล่าวทั้งโดยย่อและโดยพิสดารว่าโดยย่อก่อนก็ในยตนะ6นี้ยตนะ5ข้อแรกชื่อว่าอุปาทายรูปนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอุปาทายรูปเมื่อเห็นยตนะหนั้นแล้วก็เป็นอันเห็นอุปาทายรูปที่เหลือด้วย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 ก็คําที่เรากล่าวว่าธรรมะที่เราแสดงนี้ใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่หมองมัวสมณะพราหม้รู้ไม่ติไม่ค้านคือมโนปวิจารสิปมโนปวิจารนี่แปลว่าอะไรแปลว่าการท่องเที่ยวไปของใจนะการท่องเที่ยวไปของใจในฐานะสิปด้วยเท้าคือวิตกวิจารนะความหมายของเขาอะนะเอาใหม่นะ การท่องเที่ยวไปของใจในฐานะส8บแปดด้วยเท้านะเที่ยวก็มีเท้าเที่ยวกันไหมเท้าที่ว่าคือมีตกวิจารนะมะโนปวิจารสิปดนี่เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วบุคคลเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธภพาพด้วยกายรู้ธรรมะ รู้ธรรมารมด้วยใจแลว้วใจของบุคคลนั้นย่อมเคล้ารูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะธรมรมารมไอ้คาว่าเคล้าตรงนี้หมายถึงนึกหน่วงหรือว่าส่งใจเที่ยวไปเที่ยวไปอย่างใกล้ชิดนะเคล้าคลึงนึกหน่วงนั่นเองเคล้าคลึงหรือนึกน่วงหรือน่วงนึกน่ะนะน่วงนึกถึงรูปใช่ไหมใครเคยคิดถึงรูปไหมหน่วงนึกถึงรูปน่วงนึกถึง เสียงนึกสมมติถ้านวลนึกถึงรูปเป็นยังไงเช่นนึกถึงหน้าเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมนึกถึงคําพูดของเพื่อนนึกถึงไปได้กลิ่นน้ําหอมอะไรทุกอย่างนึงก็นึกถึงกลิ่นนึกถึงไปทานอาหารที่ไหนมาโอ้อร่อยอร่อยนึกถึงรถนึกถึงโพธิพานะแล้วก็นึกถึงธรรมรมเรื่องราวบัญญัติต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นพรนวงนึกอย่างนั้นแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัต นะพอนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะบางอย่างก็ยิ้มแป้เลยใช่ไหมใครนึกแล้วไม่เคยยิ้มบ้าง mm hmm. ดแสดงว่าน่าดูกันนอะอ่าแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งโทมนัทหนึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาหนึ่ง mm hmm. เวทนามีเท่าไหร่ตรงนี้มีเวทนาสามคือโสมานัทโทมนัทและ mm hmm. อุเบกขาอ่านึกถึงรูปแล้วเป็นโสมานัทนึกถึงรูปแล้วเป็น โทมนัตนึกถึงรูปแล้วโอเบกขาใช่ไหมได้เท่าไหร่ละสาสามคูณอารมณ์6เท่ากับ18ดโอหรวบหมูรวบหางครบทสบแปพอดีเลยใช่ไหมอ่าเช่นถ้านึกถึงรูปแล้วโสมานัตเป็นอย่างไรอันนนึกถึงรูปที่เราชอบอ่ะนะพักเดียวเดี๋ยวก็โสมานัตละนึกถึงรูปที่เราชอบทําให้เกิดโสมานัต ถ้านึกถึงรูปที่ที่ไม่เป็นที่ชอบอนะนึกถึงรูปที่เราไม่ชอบเป็นโทมนัสเนี่ยทุกข์ละถ้านึกถึงบางรูปแล้วฉเฉยอาเนี้ยนะมีคนอยู่สามคนคนหนึ่งเราชอบมากเวลานึกถึงหน้าปั๊บเนี่ยนั่งยิ้มคนเดียวได้เลยนึกถึงบางคนนะโอ้โหหน้าโผล่มาวับเนี่ยยิ้มไม่ออกเลยนะหุบทันทีเลยนะนึกถึงบางคนก็เฉยเนี่ยนะสีเนี่ยสีเป็นที่ตั้งแห่ง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 เกล็นรถโพธะพระธรรมรมก็ก็เหมือนกันอย่างเรื่องบางเรื่องนึกแล้วยิ้มเลยเรื่องบางเรื่องนึกแล้วทุกเรื่องบางเรื่องนึกแล้วก็เฉอยอันนี้เขาเรียกว่ามโนปวิจารสิบแปดนะการท่องเที่ยวไปของใจในฐานะสิบแปดเนี่ยเพราะฉะนั้นคําที่เรากล่าวว่าธรรมะที่เราแสดงเนี่ยนะ ใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่หมองมัวสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่ติดไม่ค้านคือมโนปวิจารสิบแปดดังนี้นี่เราอาศัยมโนปวิจารสิบแปดมีรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโส ม, มนัสเป็นต้นนี้แลกล่าวแล้วนะมโนปวิจารสิบแปดพอเข้าใจนะไม่เป็นไรไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรว่ อ, อ่านใหม่อันหนึ่งคําที่เรากล่าวว่า ธรรมะที่เราแสดงนี้ใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่มองมัวสมณะพรามผู้รู้ไม่ติไม่คา้านคืออริยสัจ ส, สิดังนี้นี่เราอาศาัยอะไรกล่าวแล้ว<น>ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะอาศาัยธาตุกประกอบพร้อมกันเข้าความตั้งคันย่อมมีโอ้โหเนีไล่มาตั้งกต่เกิดเลยเนะทาะธาตุกคืออะไรบ้างปฐวีธาตุอาปโปเตโช ว, วายโย<ไ> อ, อากาศ<อ>และ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 สำหรับบุคคลผู้เสวยเวทนานั่นแหละใครรู้ไหมก็บัญญัติอริยศาสตร์ลงในผู้รู้อะนะผู้เสวยเวทนาก็คือผู้รู้นั่นเองเก็คือถามว่าอริยศาสตรที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละแต่มันไม่ครบสี่สิมีแค่สองมีอะไรบ้างทุกข์กับสมุทยัย <c oughs> <c oughs> เราก็าสัจจะเหมือนกันนะ แต่ตัดจะบางอย่างไม่พิ่งตัดถนาบางั้นทุกควรปริญญาตามเอทุกคืออะไรบ้างเอาพลิกไปอีกหน้าหนึ่งก็ทุกขาริยศัสตร์เป็นอย่างไรชาติพิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกขชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกแก่นี่ทุกหรือเปล่าเนาะมรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกโสกะนี่ยไม่ใช่โลกอะโสกาเปรตเทวทุกขโทมานั้นอุปาสุปายาสาปิทุกขา แม้ความโศกความคร่ำครวญความไม่สบายกายความเสียใจความตรอมใจก็เป็นทุกข์ตรอมใจนี่เป็นยังไงเนาะใครเคยม้างนั่นแหละตรอมใจก็ทุกข์คือโศกคร่ำครวญไม่สบายกายเสียใจเนี่ยเขาฟังเข้าใจแต่ว่าตรอมใจก็มาจากบาลีว่าอุปายาสนะ อ, อุปายาตบา ง, บางสัมมวนก็แปลว่าความขับแค้นใจมันขับใจมากนี้ก็ว่าตรอมใจ อปิเอหิสัมปโยโคทุกโขวความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ปีเยหิตวิปโยโคทุกโโหความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ะนะประจบกับสิ่งไม่เป็นที่รักกับพลาดพลาดจากของรักเอาอันไหนไม่ดีทั้งคู่เลยเนาะแต่ว่าประจบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักนะก็ทุกข์พอสมควรนะแต่ก็บอกว่า การพลักพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความทรมานเข า, าว่าไงเมื่อวานถามผู้การให้ทรมานนี่หมายเขาว่าไงทรมานมาจากศัพท์ไหนเอาเรียนอภิธรรมนี่สองข้อลงนี่นะทรมานทอุระเนี่ยนะเอาเอาซาอูเป็นรอเรือนนะหลันก็มาจากทุบวกมานะแปลว่าอะไรแปลว่าใจสาอุเป็นซาโอก็เป็นโทมนัสนั้นทรมานก็คือโทมนัสเวทนาเกิดร่วมกับโทสะ นั่นแหละสำนวนไทยๆก็เป็นความทรม า, ามนเว่าเงินสรุปแล้วมันทุกข์ทั้งคู่นั่นแหละยามปิดชังนราพติตามปีทุกขังแม้ความไม่ได้สมปรารถนาก็เป็นทุกข์คิดนึกแล้วไม่ไม่สอมใจหวังอ่ะเนาะสังคิเตนะปัญจุปาทานขั้นทาทุกขาย่อเข้าแล้วอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์นี่พิกซูทั้งหลายเรียกว่าทุกขาริยสัตว์นะตัวไหนนะตัวทุกข์ ขันท่านะส่วนไหนบ้างยอมในร่างกายของเรานี่อยู่ส่วนไหนบ้างมันทุกส่วนเลยนั่นแหละส่วนไหนไม่เป็นขันท่าบ้างเอาดิสรุปแล้วมันตัวทุกทั้งนั้นเลยอนะเพราะมันเข้าเงื่อนไขาชาติชราเป็นต้นอทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นอย่างไรนะเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าทุกขสมุทัยอริยสัจได้แก่ตัณหาสามใช่ไหมว่า ตันหาที่นําไปสู่พบใหม่สหรตด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความยินดีมีความเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์นั้นๆอะ่ะคือกามตันหาภ ว, ว, วะตันหาวิภวะตันหาเราเคยได้ยินอย่างนั้นใช่ไหมยาหยังตันหาโปโนบพวิการนั้นที่ราคาสหคตาพวกนั้นแต่ตรงนี้กล่าบอกว่ า, าวิชาปัจจญาสังขาราวิชาปฏิจจสมุปาเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารจึงมีวิญ ญ, ญาณวิญ ญ, ญาณเป็นปัจจัยจึงมี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 เป็นอันว่ากองทุกขั้งมวลนั้นเกิดขึ้นแล้วด้วยตรการช่นี้ก็บอกว่าเ e oh อวเมตาสะเกวรสะทุกขขันธัสะสมุทะโยโหติเขาว่ากันเกวรสะหรือเกวัลังก็บอกว่าเกวัลังเนี่ยนะแปลว่าล้วนๆทุกขะะอะไรล้วนๆรู้ไกองทุกข์ล้วนๆเลยนะทุกบริสุทธ์เลยไม่มีอะไรอย่างอื่นแทรกแซงเจือปนมาเลยอะ่ะนะครับว่าเกวรสะทุก oh ขขันธะสะว่ากันสมุทะโยโหติเหมือน สมุทัยรือว่าทุกมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วท่านถามว่าสมุทัยของสังขารได้แก่อะไรสมุทัยได้แก่สังขารได้แก่อะไรคะอวิชชาสมุทัยของวิญญาณได้แก่สังขารสมุทัยของวิญญาณได้แก่สังขารสมุทัยของนามรูปได้แก่วิญญาณนะเปลี่ยนเปลีจำ น, นวนใหม่ เ, เนะนั่นแหละของเก่านั่นแหละ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 อรหัตผลนะเอาแบบสูงสุดเลยนะเราฟังยังไงก็นึกไม่ออกเลยเนาะ <c oughs> แสดงว่าศึกษาไปเธอนี่ภิกษุทั้งหลายเราเรียกว่าท at ุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธครรมมีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรอริยมรตมีองค์แปดนี้เท่านั้นนะข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ น, นะคือ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอ่าถ้าหากว่าอริยมรรคเนี่ยนะขอให้รู้เธอว่าในองค์มรรคแปดเนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์นะมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิทั้งหมดเคยได้ยินมีเท่าไหร่สัมมาทิฏฐิมีเท่าไหร่มีห้าหนึ่งกรมสกตาสัมมาทิฏฐิสอ ง, องอสองอะไรวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ สามฌานฌานส ม, มาธิฐิสมัคคสมาธิฏฐิ5ผลสัมมาธิฐินะผลตรงนี้เอาอะไรรู้ไหมถ้าทุกขนิโรธคาไมินีปฏิปทาริยสัตว์ได้แก่มัคคส ม, มาธิฐิถ้าเฉพาะตรงนี้นะแปลว่ามัคคส ม, มาธิฐิจะต้องอาศัย ก, กรรมสกตาสัมมาธิฏฐิวิปัสนาส ม, มาธิฐินั่นแหละเป็นปัจจัยให้ปัญญาก็มีปัญญาเป็นปัจจัยนะ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 สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติแลวก็สัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะสัมมาทิฏฐิตรงนี้เนี่ยมีหลายระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็คือหนึ่งกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิสองวิปัสสนาสาม ฌานสมาธิฏฐิต่อไปมัคสัมมาธิฏฐิอันในพระสูตรเนี่ยหมายเอามัคแต่ว่าจริงๆแล้วสมาธิฏิเนี่ยนะถ้ากรรมสกตาสมาธิฏฐิดีสัมมาสังกปะคิดก็ดีด้วยคําพูดก็จะสอดคล้องกับกรรมมสกตาเป็นต้นก็จะวนมานี้เพื่อสัมาธิฏฐิชั้นสูงขึ้นมาอีกนะเพื่อที่จะมาเข้าสู่ระบบวิปัสนาสมาธิฏฐิ วิปัสสนาสัมาทิฏฐิก็จะวนไปอย่างนี้เรื่อยๆอลักษณะวนแบบนี้นะระดับกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิก็ระดับหนึ่งนะก็วนแบบนี้ระดับหนึ่งสองวิปัสสนาก็วนแบบนี้ระดับหนึ่งแล้วก็ไปจนถึงมรรคระดับวิปัสสนาเนี่ยนะยานออกเป็นเท่าไหร่รู้ไหมวิปัสสนายานทั้งหมดนะวิปัสสนายานถ้าเรียบเรียงไปแล้วเนี่ยตั้งแต่นามรูปไปเฉทายานจนถึงปัจเวคขณะยานทั้งหมดมี สิบหกนะสิบหกชั้นเนี่มันจะวนลักษณะ น, นี้แต่ถ้าเป็นอริยมรรคนะถ้าเป็นอริยมรรคเลยจะสมัครคีกันจะสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวนะถ้าเป็นในอริยมรรคจะสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวแต่ถ้าหากว่าเป็นในเบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องปฏิบัติไปตามนี้เรื่อยนะมันต้องวนอยู่เนี่ยถ้า ปฏิบัติเพียนเพื่ออะไรเพียนเพื่อให้มีสติสติเพื่ออะไรเพื่อสงบสงบเพื่ออะไรเพื่อปัญญาปัญญาเพื่ออะไรเพื่อมาคิดถูกต้องคิดถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อพูดถูกต้องพูดถูกต้องเพื่อทําถูกต้องทําถูกต้องอาชีพจะได้ดีอาชีพดีจะได้ขยันถูกขยันก็เพื่อไม่ประมาทไม่ประมาทก็เพื่อสงบสงบก็เพื่อปัญญาอีกนั่นแหละมันก็จะวนอยู่ลักษณะนี้จนกว่าอันนี้จะสัมผันธ์กันมีกําลังพระมานแต่ถ้าหากว่าในขณะองค์มาร์กเนี่ยอันเดียวเลยประชุมกัน แต่ถ้าในเบื้องต้นนะจะเป็นปัจจัยหมุนไปอย่างนี้นะถ้าเขาบอกว่าถ้ามีศรัท ธ, ธาศีลสุตตะจาระคปัญญาเป็นต้นก็ไม่ไกลเกินไปนะถ้ามีศรัท ธ, ธาที่จะปฏิบัติแต่ว่าในชั้นต้นสำคัญที่สุดก็คือเราเข้าใจเรื่องนี้เพียงพอไหมเพราะสัมมาทิฏฐินะอย่างเช่นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเราก็พอรู้ดีระดับเนี่ยวิปัสสนาคืออะไรก็คือรู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีอะ